ครั้งสวดสอนซ้อมแล้วท่านกลับเข้ามาสวด สังโคอะนุกัมปังอุปาทายะธุติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปะทังยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโค อันดับต่อเป็นอันว่าเสร็จพิธีก็เป็นหน้า